4. สัจวิพังหนสุตันทภาชนี189อริยสัจสีคือ 1. ทุกขสัมมุทยัยอริยสัจคือทุกสองทุกขสมุททยะหัตอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข สีทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 1. ทุกขสัจหนึร้ยเก้าสิบรรดาอริยรสัจสี่นั้นทุกขอริยสัจเป็นฉไงชาติเป็นทุกข์ชาราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โศกปริเทวะทุกขะโทมณตอุปายาสเป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยออ่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์191บรรดาทุกกริยสัตว์นั้นชาติเป็นไฉไนความเกิดความเกิดพร้อมความหยางลงความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขัน ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นของเหล่าสัตว์นั้น น, น, นี้เรียกว่าชาติ19ึ่งราชราเป็นไนะความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟั ล, ลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้ น, น, นของสัตว์เหล่านั้น น, น, นี้เรียกว่าชรา 193มรณะเป็นไฉไนความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมริตอยู่การทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนย์แห่งชีวิตตินสีของสัตว์เหล่านั้นนั้นจากหมู่สัตว์นั้นๆ น, น, น, นี้เรียกว่ามรณะ194โงกะเป็นไฉไน ความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในความเกรียมใจความโทมนัสลูกสอนคือความโศกของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมโภกทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ที่ถูกเคแทงทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโสกะน9 5ปริเทวเป็นเไหนความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ำครวญความบ่นถึงความพร่ำเพอ้อความรำให้ความพิไรรำพันกิริยาที่พิไรรำพัน ภาวะที่พิบรายรำพันของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมโภกท้ัพย์ความเสือเส่อมเกี่ยวเรื่องโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะ1 9ึ่งรกข์เป็นไฉไนะ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 กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนต์นรอสิบแอุปายาสะเป็นไนะความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมพวกทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวกับโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิ่ติกระทบ ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาสะ1น9กาการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นฉนยัยการไปร่วมการมาร่วมการประชุมร่วมการอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะพหรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่มีใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุขไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะของเขานี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์200ร การพลัดพ ร, รากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นไฉนะการไม่ไปร่วมการไม่มาร่วมการไม่ประชุมร่วมการไม่อยู่ร่วมกันกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะหรือจากบุคคลพูดที่มุ่งประโยชน์ มุ่งความเ ก, กลือกเกลูนมุ่งความผาสุกมุ่งความกระเสมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอม า, าดญาติหรือสายโลหิตนี้เรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์2 0งรการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นชไหนะเราสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉช่ไหนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือขอความเกิดจะไดมาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึงสาเร็จได้ตามความปรารถนาะนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เราสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดา เราสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความพิไรายรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉไนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความพิไรายรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาเลยขอความเศร้าโศกความพิไรายรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้น ย่าได้มาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึงสําเร็จได้ตามความต้องการนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์202โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นฉนันนรูปูปาทานขันก็คือกองรูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเวทนาปาทานขันคือกองเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัญญาปาทานขัน กองสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสังขารูปาทานขันต์กองสังขารที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและวิญญาณอุปาทานขันต์กองวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกขนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจสองสมุทัยสัจสองร้ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไน ตันหานี้เป็นเหตุเกิดในพบใหม่สรคดด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือการมตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาก็ตันหานี้แหละเมื่อเกิดเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนปิยรูปภาษาตรูปเป็นสภาวะที่มีอยู่ในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปภาษาตรรูปนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปภาษาตัรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกจักษุเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักษุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักษุนี้โสตในโลกคาณะในโลกชิวหาในโลกกายในโลกมโนเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้เสียงในโลกกลิ่นในโลกรสในโลกโพธพภะในโลกธรรมเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิด ก็เกิดที่ธรรมนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมนี้จกักขุวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาต่อรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณในโลกคานวิญญาณในโลกชิวหาวิญญาณในโลกกายวิญญาณในโลก มาโนวิญญาณเป็นปิยร yeah. ูปภาษาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักรคูสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาต่รูปในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักรคูสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักรคูสัมผัสนี้โสตสัมผัสในโลกคานาสัมผัสในโลก จิวหาสัมผัสในโลกกายสัมผัสในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่จกขูดสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาที่เกิดแต่จกขูดสัมผัสนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาที่เกิดแต่จักระสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่คาณาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเป็นปิเยรูภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้รูปสัญญาคือความหมายรู้รูปเป็นปีเยอรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาในโลกคันทัสัญญาในโลก รัศสัญญาในโลกโพธพัสัญญาในโลกธรรมสัญญาเป็นปิเยรูภาษาตาูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญเจตนาคือความคิดอ่านในรูปเป็นปิเยรูภาษาตาูปในโลกตัณหานหาี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสันเจตนานี้สัทธสันเจตนาในโลกคันทสันเจตนาในโลกรสสันเจตนาในโลกโธทพสันเจตนาในโลกธรรมสันเจตนาเป็นปิยรูปภาษาต่รูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสันเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสันเจตนานี้ รูปตันหาคือความติดใจในรูปเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปตันหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปตันหานี้สัทธตันหาในโลกคันทะตันหาในโลกรสตันหาในโลกโพธพตันหาในโลกธรรมตันหาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมตันหานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตกคือความตรึกถึงรูปเป็นปิยรูปภาษาต่รูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัทธวิตกในโลกคันทวิตกในโลกรัศวิตกในโลกโหตภพวิตกในโลกธรรมวิตก เป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารณ์คือความตรองถึงรูปเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารณ์นี้สัทธวิจารณ์ในโลกคันธวิจารณ์ในโลก รัศววิจารในโลกโพธพวิจารในโลกธรรมวิจารเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารนี้นี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยร ส, รสัตว์สนิโรธาสัตว์สองอสทุกขนิโรธอริยสัตว์เป็นฉไน ความสำรอกและความดับตันหานั้นนั่นแหละโดยไม่เหลือความปล่อยวางความส่งคืนความพ้นความไม่ติดอยู่ก็ตันหานี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนปิยรูภาษาตัรูปใดมีอยู่ในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูภาษาตัรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูภาษาตัรูปนี้ ก็อะไรเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกจักสุเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่จักสุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักสุนี้โสตะในโลกคาณะในโลกชิวหาในโลกกายในโลกมโนเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับ ก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปียรูภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปนี้เสียงในโลกกลิ่นในโลกรสในโลกโพธพภะในโลกธรรมเป็นปียรูภาษาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมนี้ จักขวิญญาณเป็นปียร <manuscript> so ูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขวิญญาณนี้โสตวิญญาณในโลกคาณวิญญาณในโลกชิวหาวิญญาณในโลกกายวิญญาณในโลกมโนวิญญาณเป็นปียรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้ จะขู่สัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จะขูสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่จะขู่สัมผัสนี้โสตสัมผัสในโลกคาณสัมผัสในโลกจิวหาสัมผัสในโลกกายสัมผัสในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้ เวทนาที่เกิดแต่จกขู่สัมผัสเป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาที่เกิดแต่จกขู่สัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาที่เกิดแต่จะขูสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่โสดสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่คาณสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในโลก เวทนาที่เก hmm. hmm. hmm. ิดแต่มโนสัมผัสเป็นปีแย่รูปภาษาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้รูปปัจญัยเป็นปีแย่รูปภาษาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่รูปปัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปปัจจัยนี้สัทธสัญญาในโลกคันธสัญญาในโลก รัศสัญญาในโลกโพธภาษัญญาในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรรปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญเจตนาเป็นปิยรูปภาษาตรรปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญเจตนานี้สัทธสัญเจตนา ในโลกคันธสัญเจตนาในโลกรัศสารเจตนาในโลกโพธภาษสัญเจตนาในโลกธรรมสันเจตนาเป็นปียรูปัสาะตรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสันเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสันเจตนานี้รูปปัญหาเป็นปียรูปัสาะตรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่รูปปัญหานี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปปัตนหานี้สัธตันหาในโลกคันทะตันหาในโลกรสตันหาในโลกโพธพัฒนหาในโลกธรรมตันหาเป็นปีเรือประสาทารูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมตันหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมตันหานี้รูปวิตกเป็นปียรูอปสาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อละ กะละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้สัตธวิตกในโลกคันทวิตกในโลกรัศวิตกในโลกโพธพาวิตกในโลกธรรมวิตกเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกปัญหานี้เมื่อละกละที่ธรรมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลก ตัณหานี้เมละกละที่รูปรวิจารณี้เมื่อดับก็ดับที่รูปรวิจารณี้สัทวิจารณ์ในโลกคันธวิจารณ์ในโลกรัศวิจารณ์ในโลกโพธพวิจารณ์ในโลกธรร totally. มวิจารณ์เป็นปิยรูปภาษาต่รูปในโลกตัณหานี้เมละกละที่ธรร ม, มวิจารณนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารณนี้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัต 4. มัคคสัตต์ 205. หทุกกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตเป็นฉนัอริยมัคมีองค์แปดนี้นั่นแลคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. ส, สัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบสสัมมากรรมันตกระทำชอบ 5. สัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบ หกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ 7. ส ม, มาสตริระลึกชอบ8ปสัมมาส ม, มาธิตั้งจิตมั่นชอบบรรดาอริยมรรคมีองค์8นั้นส ม, มาธิฏิเป็นฉไนความรู้ในทุกขความรู้ในทุกขสมุทยัยความรู้ในทุกขณิโรธความรู้ในทุกขณิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าส ม, มาธิฏิ สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนความดั่บริในการออกจากกรรมความดั่ริในการไม่พยาบาทความดั่บริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไฉนเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดสอดเสียดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพอ้อเจอรินี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไฉนไหนเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นไฉหน ข้อที่พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาชีวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไนข้อที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อล่าบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทําบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมีให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายพิโยพาภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนะ ข้อที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่พึงกําจัดอภิชา และโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฉไฉข้อที่ภิกษุในธรรมิันนี้สงัดจากกามและอกุตลธรรมทั้งหลายบรรลุปรรมาชฌานที่มีวิตกมีวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความป่องใสาภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอัเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยกายคือนามากายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสันเซิญว่าผู้มีอุเบกขามีสติ อยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรลุจจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยรสัจสุตันตะภาชนี